นี่เป็นข้อความตอนหนึ่งในเทศนาการที่สามอันที่จริงข้อความนี้คนที่อ่านอย่างผ่านๆก็อาจจะไม่คิดและไม่สงสัยว่าทำไมโอปปาติกะจึงจะติดต่อกับมนุษย์ยากนักหนาแต่คนที่ช่างคิดหน่อยก็จะสงสัยฉะนั้นจึงได้กราบเรียนถามท่านและท่านก็ได้กรุณาตอบดังนี้ ประเภทที่หนึ่งที่ว่ามาติดต่ อ, อยากก็เพราะคนบางคนเมื่อตายไปแล้วไปเกิดใหม่โดยเฉพาะไปอยู่ในภูมิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์พวกนี้จะลืมถึงความหลังหมดทั้งสิ้นเหมือนกับคนนอนหลับแล้วก็ฝันตลอดเวลาที่ยังไม่ตื่นเขาก็จะเพลิดเพลินหรือวุ่นวายอยู่กับเรื่องราวในความฝันลืมสนิทถึงเรื่องราวก่อนที่จะหลับไม่รู้สึกถึงร่างกายที่กาลังหลับอยู่ ซึ่งพวกเหล่านี้ก็ได้แก่คนที่เมื่อสมัยเป็นมนุษย์เป็นคนมีนิสัยไม่ชอบสนใจเรื่องของคนอื่นสนใจแต่เรื่องของตัวเองใครจะทุกข์ยากลำบากอย่างไรไม่สนใจและถ้าเขาจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับใครก็หมายความว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของตัวเองที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง และไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องปัญหาชีวิตต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาชีพไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของตนเช่นไม่สนใจเกี่ยวกับปัญหาเรื่องตายแล้วเกิดปัญหาเกี่ยวกับนรกสวรรค์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องชาติหน้าอะไรทุนนองนี้เขาสนใจแต่ปัญหาเรื่องทรมาหากินเรื่องคนในครอบครัวของเขาเรื่องสนุกเพลิดเพลินต่างๆ บุคคลประเภทนี้เมื่อได้ทำความดีไว้พอสมควรตายไปแล้วก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์และเขาก็จะเป็นเสมือนหนึ่งคนที่นอนหลับแล้วฝันดีตลอดเวลาที่ยังไม่ตื่นเขาจะไม่สนใจเรื่องอย่างอื่นเลยนอกจากเรื่องในความฝันเท่านั้นแต่ถ้าทำความชั่วเอาไว้มากเขาก็จะได้รับความทุกข์ทรมานอยู่ในอบายภูมิและเขาก็คิดแต่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เหมือนกับคนขอทานหรือคนที่เดือดร้อนทั้งหลายในโลกนี้อย่างอื่นไม่สนใจและขอได้โปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าพวกโอปปาติกะทั้งหลายเวลาลืมอะไรลืมได้สนิทมากเพราะสภาพของร่างกายสภาพของสมองและสิ่งแวดล้อมมันจะเป็นไปนตามวิบากที่กำลังให้ผลอยู่เพราะฉะนั้นจึงทำให้ลืมได้อย่างสนิท ประการที่สองสำหรับโอปปาติกะที่มีนิสัยเหมือนกับประเภทที่หนึ่งนั้นมีอยู่เหมือนกันที่บางคนนึกขึ้นมาได้ถึงพ่อแม่หรือญาติพี่น้องในโลกมนุษย์และอยากจะมาหาแต่บางคนมาไม่ได้โดยเฉพาะพวกที่เกิดในอบายภูมิซึ่งไม่มีอิสระที่จะไปไหนมาไหนได้ตามใจปรารถนานอกจากเขาจะอนุญาตให้มาหรือมีคนไปรับมาแต่ครั้นมาถึงญาติพี่น้องของตัวเองแล้ว ก็ติดต่อกับเขาไม่ได้เพราะคนที่จะสามารถเป็นคนทรงหรือติดต่อทางสมาธิหรือแม้แต่จะนอนหลับแล้วฝันเห็นคนตายบุคคลประเภทนี้ก็หาได้ยากมากโอปปปาติกะประเภทนี้เมื่อมาติดต่อกับญาติพี่น้องหลายๆครั้งเมื่อไม่ได้ผลก็เลยเบื่อไม่อยากจะมาติดต่ออีกต่อไป ประเภทที่สามบุคคลที่ตายไปโดยไม่รู้ตัวว่าตายจากโลกมนุษย์พอเขาเกิดใหม่เขาก็เข้าใจว่าเขายังเป็นคนคนเดิมเขายังเป็นมนุษย์เขาเคยมีชีวิตอยู่อย่างไรเขาก็เข้าใจว่าตัวเขาเองยังเป็นอยู่อย่างที่เคยเป็นอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ถึงแม้จะอยู่ในโลกมนุษย์ได้เห็นมนุษย์อยู่เสมอและบางคนก็วนเวียนอยู่กับญาติพี่น้องแต่ไม่รู้ตัวเองว่าได้ตายมาแล้ว เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เขานึกอยากติดต่อหรือพูดกับใครเขาก็จะเข้าใจว่าตัวเขาเองเป็นมนุษย์และใช้วิธีติดต่ออย่างเดียวกับเมื่อตอนที่เขายังเป็นมนุษย์แต่แล้วก็จะประสบกับความผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งในที่สุดก็เลิกพยายามไม่สนใจที่จะติดต่อกับใครและก็คิดเอาเองว่าพวกญาติพี่น้องของตัวเองเดียเ๋ยวนี้พากันเป็นบ้าไปหมดแล้วจึงพูดกันไม่รู้เรื่อง ในที่สุดก็กลายเป็นพวกเก็บตัวไม่ยอมเกี่ยวข้องกับใครๆไม่สนใจกับใครไม่รับฟังความคิดเห็นของใครแม้จะได้รับฟังคาแนะนาจากโอปปาติกะชั้นสูงเขาก็ไม่รับฟังเท่ากับเป็นการตกนรกประเภทหนึ่งในโลกของโอปปปาติกะเป็นนรกแห่งความคิดของตัวเองซึ่งไม่มีใครทำให้ ประเภทที่4ผู้ที่จะสามารถมาติดต่อได้จริงๆต้องเป็นคนที่มีพื้นเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของโอปปาติกะและรู้ตัวว่าบัดนี้ตัวเองได้ตายจากโลกมนุษย์มาเกิดใหม่แล้วและจะต้องได้รับการศึกษาให้รู้ถึงวิธีที่จะติดต่อกับมนุษย์และเป็นคนที่มีอิสระที่จะไปไหนมาไหนได้โอปปาติกะประเภทนี้เท่านั้นที่จะมาติดต่อกับมนุษย์ได้ดี แต่ถึงกระนั้นก็ต้องใช้ความอดทนมากเพราะพวกมนุษย์ทั้งหลายน้อยคนมากที่มีความสามารถที่จะติดต่อกับพวกโอปปาติกะได้นี่คือหลักเกณฑ์โดยทั่วไปที่ว่าทำไมโอปปาติกะทั้งหลายจึงมาติดต่อกับมนุษย์ได้ยากมาก